ก็ตั้เข้าพ่ปานนั่นนนาวเลเัผถามว่าไปหาไปไปดูพ่อที่ชัาวหไม่รู้ชื่อเยไม่ได้งพูดเขาเป็นข่าวตวก็ไปเข้าไปท่านเราใครเข้าไปว่าหลายตอนที่จะเข้าไปไอ้ช่วงของท่ามันต่ำอยู่นไปถึงที่สุดว่าแล้ ว, วไปถึงท่านนั่หลักตาที่พ่อปานเข้ามาสะเก็ดสะลืมตามม น, นหน่อยแล้วเวลาต่อวี ร่างกสิทรอะไรก็มายอมยอาลืมตาเลยอันนั้นไม่ใช่มีโลธาสมาบัดเป็นธรรมปีน่าดีนะตล อ, อ, อดเลยนะก็คุยจะ น, นอนแล้วที่ข่าวรู้ไม้นั่นเท่าไรก็ไม่รู้ถ้าจะถาม้็ไม่พูดด้วยเลยเรียนรู้ข้อที่ของข่าวอันได้ยังไงเสียธรรมปีดีะน ะ, นะ ถ้าทำวิธนี้อยู่ได้จริงถ้ามันจริงก็แค่น้ำน้ำจริงก็ปกติที่เรากินเนี่ยมันจะเิ็มมากมายมันมีคามอินน่มมันมีคามอินน่มเลยครับ อ, อันนี้อัศจรรย์มากาเคยลองมาพ่อเคยลองแล้วเหรอครับเคยลองในโนต๊ะข้าวไปสามวั น, นรูว่าถ้ากูผข้าวใช่ใช่น่ปากหลังการบรุห่มี อ้เกมันมันไป้ทักเดกเอาไอ้บกเกใน่าทั้งตัวเลยตันึ่งมันเปแท็กเบกเขาเขาบอกใส่บายต้องมองก็มันได้ฝ่าสูงเนี่ยมันมีใบไม้เล่แค่ยอดใช่ไหมไอ้ต้นอะไรก็เหมือนับเสาแล้วมองไปสักกิโลที่กิโลก็ได้มันหาบ้านไม่ได้แต่ตอนเช้าเราตั้งเราชื่ว่า การมีบาดแนะไรนั่นต้องเดือดต้อจากต้นไม้ต้นนี้ไปถึงต้นไม้ต้นนู้นเสมอไปนะใช่ไหมเราเดินไปแล้วก็เดินกลับถ้าไม่มีใครใส่บาดแล้วคนยาวหมดไปที่เกตบาดไปแกล้งนะให้วิธเดินหน่อยทีพอเดินไปไม่ถึงถึงต้นนู้นก็เจอเด็กคนนั้นเดินรอไส่บาดบาง ท, ทีไม่ถึงต้นนูน้นแลไม่มีคนก็เดินกลับมาแล้วก็วันดับใส่บาดก็ลเล่ดับอยู่ อันนี้ก็ตั้งแต่ตัวเขาก็มองเมื่อทุกชั้บ้านเฟื่องฟน่ะ้าป่อยก็เก่าเก่าสิรุภัยก็ดำมันก็ไม่น่าจะที่จเป็นเทวดาแล้วเทวดาทำไมเราทำได้ใช่ไหมอันนี้พอเศษพอเจ้าคุณดังเสิยงสงสัยขึ้นมาดิถามหนูบ้านไหนเนี่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆจะโงไม่โตไม่น่าจะไหวฮะพราะล้อเข้าป่าหายเลย อดกินข้าวสามวันไม่ก็หายเลยครับถ้าท่าใส่ก็ไม่ต้องอดพอกว่าวอดจะทำให้เมตตาอดกินข้าวเลยสามวันถ้าต้องอยู่ต้องทำบุญจีงกันถ้าต้อรวบรวมใจต้องนใจว่าเราไม่มีอาหารก็ต้องใช้ทำบมญจีแล้วมันก็อยู่ได้ไมันไม่เสียก็คืนที่สามสามวันผ่านไปก็วันผ่านแล้วก็คืน จะเรียนกรรมฐานนั่งบนต้นไม้มาต้นเลยมองในถ้มันไม่ได้ปดไปว่า้วน้ค้างมันยงนางเปนน้ร้อนน้าค้างยังไม่หนัแกแนั่งกลางต้นไม้แยกกันนั่งก็เริกมางการคุยตามมาคุไปไม่มีท้องฝ่ามกันหม ด, ว, ด, ว, ว, ว, ดว่าพ่อส่งลงเขาไปแล้วือหลันงนี้ไปภาคตอนนั้นเขาไปเสวยาว่าพ่อมาส่งลงเขาไปแล้วเจ้าด่วันพรุ่งนี้ไปเจะมี มีคนในพวนี้มาใส่บาตสี่รายยาทักเขาเนละยมันาทัก อ, อีกถามในการจสางต่อนุ่ยยศไม่ให้ม่เก็ยรุ่งขึ้นมามีสี่คนอจริงตอนนี้ไม่ยอมดูหน้ามือก็ไม่อยากดู้ <c oughs> แต่ละครมรวมจัดไอนน้ที่ละครมรวมกูอดตายหน้าเน่ยไม่อยากมอง ไม่แล้ว็สามันนีไม่ไม้ไม่ไหวแต่แ้วจริงๆสอนนรืงทีนี้ดีมากไม่ต้องเดือนบ่อย <c oughs> จำแม่นเป๊ะ <c oughs> โล้ยแลาต้องอยู่เลยเอาไปติดเลย อ, อ, อ <c oughs> ่าถ้าก็ทำางไงรับมอง ไ, งเไรเห็นอะไรรูไหมก็ไม่มีใช่ไหมอ่าจะตัดตัดสินใจว่าถ้าถ้าท่านพูดัะไรรับมาพิจารี เวราทรงทํำดีๆไม่ได้สามไม่ไดีไวปก็สานตายถ้าไม่ถึงก็มันกลับไปไม่ยอมกลับไปเพราอเราไต่ขึ้การทีๆเรื่อยจากเดือนที่สองเรา จ, จะกลับเดือนหกคันขาขาถ้าไม่ถึงเวลานั้นเราจะไม่กลับบางปีก็จะเดือนทีองกลับเดือนแปดคันเข้าขาดก็ถือว่าถ้าไม่ถึงเวลามันจะเป็นไงก็ชันก็ตายก็จะไม่รับเนีย ตอนนี้ว่าไปไม่กี่วันมีนั่นตัดสินใจว่าจะกลับทันเข้าบรรสายเออเออใช้เท้าเท้าบรรสายเราอยู่ตั้งแปดเดือนแปดเดือนไม่เรียอะไรกินทำดีดีไม่ช่วยเราทำใตายไปหมดเลยเจ้าดาวตัวตายหรือไช่า บ, บ, าบ า, า, บาเปเพราะบาปทั้งหมดต้องไปดีต่อนั่งสมาธินี่ต่างกัวใจเลเมืเ่อเลิกแล้วก็มาตัวใจพบท่านส้งกา พูดใรูปในรูปเยอะแต่ในวันสัมมูลจริงจรงตังัวเสียงทักแค่ามพัูดีเลย่ถ้าเก็ดมันสัมมลมากกว่านั้นแล้ว่อเลา่ีบ้านแล้วี่โงที่วมงได้ักก็ทุกายเลยี่โี่โได้ทักแต่กี่โมงนั่นมนไดักกี่โงไม่อยากไป เาแต่โมนไปอ๋อภัยอาภัยได้ได้ท่างผ้าอารน้ำนี่ล้วก็ใส่ช้างนะโอ้ตยังไุกปอหรือว่าเร้านเลใป่าในป่าหรืเปล่าส้างใ่ดีมากทำาไรอาทิตยก็ถามพ่อปูมีน้ำที่ไหนบ้างเล่าน้ำใสช้างเย็นเย็นมีไหมอยากจะอาบอยากจะกินอะไร วันหน้าคือช้นดาก <unc> <Gao eten. S 2> ็จะไปเก็บชิ้นดาวนหน้าเสยอใช่ไหม่เดี๋ยวเรามองเขาเขาขเข่าโยกตูงวัวไหวแล้วก็ลุกขึ้นเขาเดินไปสองสามก้าวเขาหันไปทางที่มีบ่อน้ำเดินสองก้าวไปหัหน้ามาหันหน้าเราเดินตามไปเดินตามไปพอใกล้จะถึงเขาจะหยุดแก้วมังโยกูงวัวเลื่ที่ไปทางนั้นถ้าไปที่เสี่ยวปั๋ถ้าหากว่าบางเวลากา ก็คืว่าที่นั่นจะมีอันตรายมากอย่างสุทั้งโขลงก็จะมายืนล้อมหมดเลยให้ะจะ้าี่ามนบเ่อได้อยู่านี่ยี่้าวเจ้าดีมีสุดนะจบสูตรพระบาทนาวสมหวังทุกคนก็มีมที่พานที่ไปนะเยีอมมากที่ตอนหลังๆเนี่ยก็มีโยน์มากอามเรื่องเศษๆเนี่ยถ้าพูดบเรืก็พูด ไ, ได้เลย จาแนงของหลวงพ่อของอากาศฐานสถานีเขาเขาต้องการรับเากดนโลยีอยากได้ไหมได้ทุกสถานีอ๋อไปยนสิยากนะแต่หัวหน้าสถานีเขาบอกว่าต้องมีลายเป็นหลวงพ่ออักบูญาอนาะเรียนถามว่าจะทำนาได้หรือไม่ได้เขียนมาแล้วเชิญให้ นั่งกูการพามาจะให้ตังไงไปนั่งการพานแล้วต้องจะให้ตังนะแต่พ่าน้ำหน่อยพามันมีอะไรอีกไอ้เว้ยยอมลาถุงของหมกยเขาบอกว่าแต่งงานมาหลายปีแล้วไม่มีลูก เค ย, ยาถามพระพระเคยแต่งงานอะไรไม่รู้จริงเลยถ้าจะขออะไรเ้าก็จะขอ น, น, น, น้ําื่มดูบานันมีน้ำหรือเปล่าเคยถามพระยังมีลูกหรือเปล่าพรามีเียท่ไหนอ่ะไม่รู้เขาเป็นใคร เออน่ดีไถามหลวงพ่อหลว่รู้เรื่องแต่ทศนทยธรรม ก, ก็มีเรื่องทานโคธิราชท่านโคธิราชก็ไม่มีลูกใช่หมวันหนึ่งท่านก็มนต์วงพอเเจ้าพร้อมไปรสงหนูจะนั่งสาางเลยพร้อมพร้อมไสงฆ์ไปแผ่นพัตาอหารที่พระราชมีเวาว่าตอนนี้พระเจ้าจะไปท่บอกว่าขาวตั้งแต่ประตูวัง เข้าถึงวังด้วโซนิฐานว่าถ้าเราจะมีลูกขอพระพุทธเจ้าทรงเดินบนผ้าขาวถ้าจะไม่มีลูกก็ขอทีย้ายพระเจ้าเดินบนผ้าข า, ขาวที่ปูปรากฏว่าเมื่อพระเจ้าไปถึงประตูวังพระองก็บอกว่านนบอกให้บอกให้เขารื้อผ้าขาวเนี่ยถ้าไม่เดินอพอเขาไปถึงวังพระเจ้าพูดถึงโสราเป็นถามว่า ทำไมพระองค์จึงไม่พระพุทธดำเนินบนพรขาวพระรัชกาถามว่าก่อนที่จะให้เขาบูว่าขาวพระองค์ไม่จึงไงจีนั้นนึกนใจนะแล้วก็บอกตามที่พูดปัญจีนี้พระชาลึงบอกว่าพระองค์จะไม่มีลูกจริงๆเลยถ้ามาถามกดขุ้นกรรมดฎขุ้นกรรมพระรัชกาลย้อนกฎขุ้นกรรมว่าในสมัยหนึ่งทรงเป็นพ่อ้าวต้งเผ่าปัญญาไห ต่อมาคุณรู้ไมนี่มันทะเลเดอนสงทาวแตกแล้วขึ้นฟ้าสายบนกอะไอเกาะนั้นก็มีนกสองตัวผัวเมียแล้วก็มีไข่มีลูกตอนช่วงแรกแรกถ้ากินไข่ก่อนพ่อเมีจริงกินไข่หมดก็อรอลูกนกมอีกหมดกิลนลูกนกหมดก็รอพ่อ น, นกแม่นกเาอีก ตัวอาจารย์ในสมัยพระธาตุพระองค์ในสมัยนั้นไม่กินไข่ใช่ไหมก็ <c oughs> จะมีลูกไม่จะสมวัยถ้ากินไข่นกแล้วไม่กินลูกไม่กินลูกนกก็จะมีจะมีลูกใต้ไนันม ไ, ไม่ที่สมวัยนถ้ากินลูกนกแล้วถ้าไม่กินพ่อห น, นกแม่นกก็จะมีลูกเปต็ตอนแฉแล้วก็แกะมากมากนะ นี่อาศียพระองค์กินทั้งไข่นกทั้งลูกนกแล้ว่อนกแม่นกลูกมาเรียก็เห็นที้เกิดลูกมาเรีท่านตอบนี้นะแล้วหลับยองนีถามม่าจะินไข่นกหรือเปล่าของใครศาสตนวพ่อเขาเป็นญาติยองกินไข่เป็นไข่ไก่ต้องต้องไปดูชาตินาฉันว่าถ้าไม่มีลูกได้เลยจะดี นะถ้าลูกดีน่ดีถ้าลูกม่ดีมันเต็มพ่อเต็แม่เต็มแก่ลูกไม่ได้นะมีกันบางไลเออกินโภตาไปมีลูกกี่พ่อคนที่กคนอันนะี้เขาบันไปมรรมีสูออ ง, อ, งอุตต า, าคุณโยถ้าคุณก็มีลูก <c oughs> <c oughs> ที่ต้องไป่านเขาเองไม่รู้เหมือนกันนะเอาว่าไปออกไปก็ไม่กินมาสามวันแนีวยอะไรอะัรไป่กินสามวัน อากจะถามลว่อว่าจมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรไม่ต้องถามหมอผิดสถานีเลยพาดสถานีสิอนีอ่กฎขุนกรามนี่บอกไม่ได้นะไม่เกี่ยวกับเรื่อง โ, โน้นสิต้องไปถาหลวงปู่ธรรมชัยด้านโน้นนะด้านหมอด้านกฎขุนกลางขององค์มัเสีง มีอะไรตอไปอีกแมวัน้อตอบรถสวดเลยนะสบายก็ไฟไม่รอดจะตอบได้ไงเรกโกหกเชื่บฉันเลยไม่รู้ว่าตอบไม่รู้สพอไปบอกว่าเวลาตรวจมูลอธรมะทำไมร่างกายโยกเยง เพราะร่างกายมันอยาเยยดยกเยดโยกเยียดโยกโยกเยียดโยกแต่จริงตอนตอนเด็กูดเป็นร่าตอนเวัฐานนะวัฏฐานีติสราลมันเป็นตีตินะแล้วอกการดีกาตีติถ้าเกิดตีติดเร่างกายมียกไปยกมาโยกห้าโยกหลังไม่ติดบายนั่นเรีว่าดีนะ ข้าตระหนัก ด, ดีแล้วก็ออกเลยกันเอาต่ออีกดเยไม่ดีเลยนี่ก็บอกว่าขห้ขอยโน่นห้อยนี่เรือยๆใครกันมาเข้าฝันะจะเอาห้โน่นจะเอาห้อยนี่ทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจดี <c oughs> จากจะเรียนถามพ่อว่าจยากให้อะไรก็ดีครับ เออยายมีฟันหรือเปล่าละ่ะถ้าไม่มีเหมาะเ้ามาแข็งให้รู้หน้าไปกินเพี้ยน่็ถ้าเข า, าว่าขอได้นะก็แสดงว่ารับบุญนาส่วนบุญได้คนจะให้ตามที่เขาขอถ้าทศกัณ์ท่านเนะราะว่าพรุทธเจ้าสมบอกว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณในสมัยที่ท่านมีที่อยู่ก็ปฏิบัติ เพราะท่านให้มีความสุขถ้าตายแล้วเราไปนึกที่สูงสุดให้ให้อันนี้ก็ดีความพียงดีแล้วนี่เมื่อท่านขอได้แล้วเราท่านสะมุ่นาได้แต่ว่าอย่าลืมนะบุญที่เราทําให้ท่านเราควรพูดได้รับเต็มร้อยเปอร์ซก่อนแล้วเวลาที่ที่สูงสุดให้ท่านบุญของเราก็มายกท่านได้ด้วยเราก็ อ, อยู่เต็มด้วยเนื่อว่าท่านมาขอเนะี่ยท่านแนะนําให้เราทําบุญขึ้นมาเราจะมีความสุขใช่ไหม ควรจะทำเป็บ่อยทำวัดไหมก็ได้ไม่จำเป็นต้องวัดพรงสุรุอะไรไปที่กืไม่ค่อยมั่ใจเลยม่นจทุกท่านี้อะมัดใจเลยอะไรไหมทีนี้ในความจริงถ้าขอได้หน่าจะน่าจะดีใจนะรู้สึกว่าอายที่ท่านตายไปแล้วได้ท่้ไม่ลำบากมากถ้าลาบากมากเกินไปอยู่ในนรกเนี่ยมาขอไม่ได้ จะเป็นเปลืสิ่งเหล่นานเออเฟอพก็ขอไม่ได้อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นรัฐตวัวเมืองทีีเปลอกนะเมลตายขอได้หรือว่าจะนั่งขนาดจะเป็นสัมฤทธิ์ีก็ได้น่าจนั่นขอไม่ได้เรื่องเร่งคนจีนบางคนยังต้องใจหรือว่าคิดหรือว่าแบ่งมันป็นผลไม้แล้วคนจแบ่งให้ไปเปน็นหมดเลยนะ <c oughs> ใช่ ต้องรู้จักให้ให้แต่ไปดฮะว่าให้แล้วโโให้ก็ให้ไมเป็นหมดเลยจตต้องจัให้แล้วไม่หมดต้องมารียนกับ ฉ, ฉันเป็นยกครู ก, ก่อน <c oughs> อีเขารึกไม่ได้ไม่ได้หัวเดียวชาเนี <c oughs> <c oughs> ่ยการจริงบุญทีใ่ให้เขาเพราะเราไม่หมดอย่างเรื่องคว่านุรุตสมัยที่ท่านเป็นคนเดียวญาติทางน่ะ เวลาที่ทำบุญผุ้สรงอายุเจ้านายขอแบ่งบุญให้เราสงสัยว่าแบ่งบุญเราจะแบ่งได้ไหมยิ่งไ่ถามพระบาเจพระพุทธเจ้าที่ท่านรับบาตนะพระบาเจย์พระพุทธเจ้าเราสงเด็จเที่ยบให้ฟังพราสมุทัยโยมเนี่ยมีครบดีหนึ่งอันแล้วก็มีไปด้วยใช่ไหมคนอื่นเขามีแต่ครบเขาไม่มีไปทุกคนต้องการแสงว่างมาต่อไปจากครบพุทโม แล้วครบทุกครบก็สว่างสวยหมดอยากจะทราบว่าไฟที่ครอบคุณโยมมันยุบไปไหมอาวุธอาวุธก็บอกว่าไม่ยุบไปแล้วการทุกขที่สมงออกส่งเื่อหมือนกันให้เขาเขาโมทนาแปลว่าบุญขอเราอยู่เต็มร้อยเ็เป็ควรจะให้นะอันมันจะได้กำารที่ได้เมตตาบารมีเพื่อสงเคราะห์เพิ่ม็นกำไรมัน แม้วอย่างคนที่มาที่เนี่ยพูดที่ยายมาขอ ไ, ไ้ปล่อยเนี่ยความจริงก็เหมือนจะมายมาโยให้ทำบุญตัวเจ้าคนทำบุญเองเขได้บุญเต็มร้อยเอร์เ็เมื่อให้ยายมูนาบุญก็มายุไป้ความสุขขง่ามันจะมีความสุขเรามากขึ้นไม่ควรทานะถ้ามีอะไรควากว่างการถวายเงินสมบัติบมูลนิธิหลวงปูกฟ้าลพ องค์ ป, ประจําทุกเดือนนั้นอยากเรียนถามว่าองค์สงฆ์องค์ประการใดมีเงินย่างไรภาพหน้าเกิดเป็นภาพใหม่ได้ประจําทุกเดืนอนดูในที่นี้ก็ตั้งข้อไว้นะทัานบวรุงสงฆ์ด้วยสงฆ์คนญาตกจนด้วยนะทาท่านทุกอย่างดันั้นเงินส่วนนี้ก็มีส่วนเป็ น, นาฐา น, นาะทานก็เป็นวิหารทานด้วย และวตระเวนาลสังทานอันนิสงมากจริงๆถ้าจะบอกก็เนี่ยท่าทัานก็ว่าอันนิสงอย่างมากที่สุดก็คืออันิสงสัทานอันนิสงสังานมีระเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ถวายสังฆทานอันอิสงขันต้นท่านจะเกิดเป็นเทวดาก็ต้องบริสวรรค์เช่นดาวดินี่อย่างหนึ่งนะอีอย่างหนึ่งท่านบอกว่าอันนิสงสังฆทานเนี่ยบุคคลใดถวายด้วยความเ็นใจแม้แต่ข้างเดียว จะเกิดไปกีชาติซึ้นเชื่อควา ม, มยากจนขึ้นใจจะไม่มีบุคนนั้นที่วหวจะคข้านิพพาโดยตลอดสรุปปางแล้วคนที่ถวายสักฆทานแล้วจะมีความโมโหอย่างหนึ่งโมโอะไรไม่รู้จักคำว่าจน <c oughs> อยากโมโ่ <c oughs> <c oughs> อาตว่าวอะไรสิ <c oughs> เงินทอดไใชเดียวกไม่ไม่ใช่ใชสิแคดอกเี้ยเราตายไปแล้วดอกเี้ยอยังอยู่ยังใช่นตามกับอาวก็ตามไปคือหาความจนไม่ได้นะอ่ไหมนะอ้าวอย่าลืมนะมะม่วงเนี่ยเขาปลูกเม็ดเดียวนะเขาขึ้นหนึ่งต้นแล้วขึ้นไปแล้วมันมีลูกทีลูก ใช่มีทุกปีใช่ไหมไอ้เงินมูลนี้เทีกันอแู่เหมนกันแหละเก็บไม่หวัดไม่ไหวอย่างมีวัดเองเขา 1,000 าน 2,000 บาทต่อๆกันอย่างเาพ่อมีมีจำามีจกัดสร้างนหนึ่งสลึงไม่รับทางคุณให้สร้าะไรไม่จากัดจำกัดจริงๆนะาถ้างภูณไม่จากัดคุณแล้วแต่ปัจจัย สภาบางคนอาะสูงจริงแต่การเงินอาจจะไม่สูงตามใช่ไหมอนุญาตให้ตั้งกลุได้มีพระองค์หนึ่งอบหลังแอมดีๆมาใส่ทามพระเกานเถดอันนี้ข้อโมโหเจ่ใจจัมีโทษเป็นาาใดเพาว่าจะอไม่มีโทษโมโห อย่ใหญ่ถ้าตัดแกงไม่ใส่ไชมุท่านไม่ใส่แกงแกงใส่ใส่ไชมุนถามนั่นเลยโอ้ไม่เลยนิดหน่อยไม่มากม่เลแค่มหโหโตโสนิดหน่อยบ า, างคนธรรมดาคนที่ยังไม่ถึงอนาคามีอันหนึ่งถึงอนาค า, ม, า, ามีแล้วไม่มีโมโหถ้าไม่ไมถึงยังมีอยู่โตโสดามไปก็ยังมีก็ถึงาคามีก็ยั แค่โมโหโตโศจไม่ลงเลทำรายเขาจะไม่สุดใจโอ้โหพอวันว่างออกมาเะเลยไม่ชอบใจไม่ตกาตุนน้ำเขาที่เดือดขอเลยพูดมีส่วนเขาจะสุม เราไม่รู้เรื่องชื่ออะไรเ c ยชื่อตะชิดครับชื่อเตจี่เลยว่าช่วงนี้เกิดอะไรบ้างทำให้ปลาบั c น้าชุนน้อามใจใจลยว่ามีอะไรได้บ้่งลูกว่าบัน้าจาวกแรงบานบ้นถนัดเลยผมพูดแค่ให้ก็เอาน้ำมาทำไ 哦，就是他的名啊，就是说，干就是加上他的，对不对？你先先闪一晃，老师傅。上班最累的就是这台啊，我老师傅最累这台。 แรงทางความสะอาดเออให้สูงไม่ได้เหมือนน้องสาวว่านุไงทางความสะอาดจะพื้นที่ท่านบนนั้นเป็ลกเรื่องหายโป็น้านิสยาากนะดไดีกว่านะาาไงยพื้นสะอาดก็สะออาา ม ไ, ไ, ไม่มเอา น, น้องสวาวพระนุษย์ม่านเป็นอย่างนั้นท่านเป็นโรคเรื้อนอยู่เวลาที่พระนุษย์ได้จ้าประเจไปพระทหารไปท่านก็ไม่กล่าวมาจาก้องต่อมาวันหนึ่งพระนุษยก็ไปหาน้องถามว่าทาไมไมออกมา ท่านบอกว่าถ้าเป็นสาวนี่ก็เป็นโลกเลรื้อนทุกข์อายท่านพุทธเตรบอกว่าอุงนี้ก็แล้วกันลำบากในการทําบุญเวลาที่พระท่านไปไปบิณฑบาติก่อนไปถันออกมาเช็ดพื้นที่ออกว่าพื้น ท, ที่จัดอาศนะใช่ไหมครูตัศนาสนะตั้งนําใช้ยนั้นถันไว้เวลาพระมาอายประกาข้าห้องกันให้มาทาแบบนั้นอยู่เรื่อยๆรุนแรงโลกเรื้อนหายนะ แล้วหลังจากนั้นเมื่อท่านตายไปแล้วก็เกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ที่ดาวดึงเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดในดาวดึงเทวดาทะเลาะกันทะเลาะมาแจงกันเลยแต่ไม่เข้ากันที่มมันใครแต่ธรรมดาถ้าจะเกิดเป็นบริวายเขาใครต้องเกิดในกิริมาณเทวดามันใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดนอกกิริมาณแต่ใกล้กิริมาณเทวดาอมัยก็เป็นบริวายของเทวดานั้น อันนี้เดวว่าเกิดกึ่งกลางทั้งหมดแต่ว่าหันหน้าไปทครนี้ไม้ของเทวดาวองค์ใดก็เป็นบริวายเทยวดาวนั้นนี่แค่เกิดขึ้นไปก้มห น, น้ากึ่งกลางวัดการจอในวัดแล้วเท่ากันอ <c oughs> ใช่ไห <c oughs> มไอ้ก้มหน้าที่อีกใครก็ใครอยากเป็นบริวายใครก็ไม่ได้แล้วทะเลาะ ก, กันพระอินต้องตัดสิน เอาไปเลยจะอยากทะเอาะกันขยันขอเลยเอาไปเลยแต่เสร็จสักตัตชิ้นเด็กขาดประตอยู่เลยใช่แล้วนีอะไรเมว่าตอนมันฟ้าไทยรู้หนอยเห่เอาแล้วสี่หนอยเหน่มันแล้วว่าอะไรเนี่ยมนาทยแลว่าอะไรย อ่าไม่รู้เรื่องราวนะอเมื่อรู้จากหลวงพ่อว่ารางที่ฉันไม่ได้พิจรารณาจะมีโทษอย่างมากพอรู้แล้วก็อยากจะแก้ไข ย, ย้อนหลังจากกลาบเรียนถามว่าจยากย้อนหลังได้อย่างไรบทวชทั่าหม่ทีนี้ไปก็ไปกันแล้วกันแล้วกันไปเออ ถ้าย้อนหลังมันย้อนไม่ได้้วเดินหน้าเลยตีรุถหนีไยภูมิไปเลยหรือว่ามีความเคารพการพระไตรย์สนาคมครบถ้วนมีศิล้าบริสุทธิ์จิตกิจลุ่มวิผ่านกรรมทั้งหลายก็ตามไม่ถันแล้วก็หมดเรื่องแล้วแก้ตัวไม่ได้ก็วี่งนี้ได้ในมีสองห้าของหก ตามโลกหรือไม่ตอนนี้อาเยนจะเอาศิปัอาเยนอาเนเราจาอรใช่ต้องคกนะต้องคโลกลโลกโราอาโรกโกรกรูปะ ถ้าทุกคำโรคเรามีแน่ทุกคำโรคไม่แนไ่ไม่ไม่ทราบว่าุกคโรคนี่ยแหละไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดจะเกิดถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่ทราบว่านได้ดีกว่าหมดเรอง อ๋อดีแน่ท้องกนจะธนาคารหมดเร็วตัดพวกขโมยปล้นก็ดีตรอที่ยาการจะไม่ขาเลยถ้าจะไปตวงเหมาูงศรลาเอ้เอาแบบไปดิที่ตอบไปบอว่า มอเลยค่าคนมาสามคนเป็นบาปหูือไม่และทำไมตำรไม่จับทำไมารีเป็นบาปๆไอ้เลี้งฆ่า้เป็นฆ่าคุณนันทายิงโจนโจนก็พลุนบ้านตำรวจก็ไปด้วยช่วยสมรวจเขา ตำรวจจะจปจับทำไมซึ่งจับเราตำรวจไม่ได้ง่าย เ, ยเราเลี้ยงแล้วเราก็บอกตำรวจยิงจหาง่ายให้ตำรวจสามสิบคนีตายไปเวยมันมันว่าอ๋ยตอนวันแรกแกมาเริ่มจะเริกมมาานนะาทาใจพอสบายจิตเพรถึงอุปชาราสมาธิ จะมันนอนความหน้าสามสิบคนนะพูดยิงไงก็ไปพูดอุดที่สูงสนให้ก็ไม่ยอมรับแตะจะมาแดงแบบนั้นเดือวเกืบขึ้นทุ่มโมแะะก่แ่ก็หายไปพึ่นเนช้าไปถานไปบอกลวงพ่อานให้เดินศาสตร์สมมติเอาอย่างนี้สินั้นมั่อกเขาจองเวรให้บอกเขาบว่าจะบวชพระให้เจ็ดองค์เทากับที่นั้งเจ็ดวัดอีกก็หลังเข้ามา เขาบอกอย่างนั้นเขาหน้าเขาคุมาเขถามแน่นอนเรื่องบุคคลแน่ทาให้แน่แต่ต้องใช้การเวลานั้นให้เท่ากับถึงกับบทพระนั้นมันต้องคนละเดือนใช่ไแล้วเขาก็ให้ไปแล้วก็ถึงเวลาที่จะบทพระได้แล้วก็บุตพระเข้าถึงได้ก็ต้องถึงให้เขามาใหม่โมทนาตอนนี้เขารับเขาถือเขาบอกว่าถ้าอย่างผมซื้อไอ้กรรทำเลือจองกันบทฉันทีเสียหัสิกรรม ในชั้นแสดงตัวดีแต่ก็ยมงพี่วายจริงๆไง่ใ่ไปลยิงชั้นป้ายคับไปไปช่วยตำรวยเท่านั้นตอนี้พ่อยิงนิสเยธนาไปไงเจตรากงยิงเลยนี่ใช่เพราะว่าใรายได้จริงๆไม่รู้จักทำกระปรนไม่รู้คขับล้นจะเป็น <c oughs> ยังไงนะแล้วไปเที่ยวบ้านบ้านหนึ่งเสียปืนดังจกักถามว่าอะไร เห็นพัญยายของบ้านของท่านอาจานังฆ่าไปดูท่าใจเขาปู่ตีเป็นหนายนะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาบอกมีคนหอก บ, บ้านนั้นถูกปล้นแล้วก็เลยตีกรอกเ ป, ไปน็นใต้กำลัง